ที่กรณ์มูลาธิว่าด้วยมูลเหตุอธิกรเป็นต้นถามอธิกรสี่มีมูลเหตุเท่าไหร่มีสมุธฐานเท่าไรตอบอธิกรสี่มีมูลเหตุ33มีสมุธฐาน33ถามอธิกรสี่มีมูลเหตุ33อย่างไรตอบวิวาธาธิกรมีมูลเหตุสิสอง อนุวาธาธิกรมีมูลเหตุ14อาปัตตาธิกรมีมูลเหตุ6กิจจาธิกรมีมูลเหตุเดียวคือสงรวมอธิกรสี่มีมูลเหตุ33นี้ถามอธิกรสี่มีสมุฐาน33อย่างไรตอบวิว า, าทาธิกรมีเรื่องทําความแตกกัน18เรื่องเป็นสมุฐานอนุวาธาธิกรมีวิบัสสีเป็นสมุฐาน อาบัตตาธิกรมีอาบัตเจกองเป็นสมุทฐานกิจจาธิกรมีกรรมสี่เป็นสมุทฐานรวมอธิกรสี่มีสมุทฐาน3าามนี้ 4. อาิกรณะปัจยาปติว่าด้วยอาบัตมีอาิกรเป็นปัจจัยถามวิวาธาธิกรเป็นอาบัตรหรืออนาบัตตอบวิวาธาธิกรเป็นอนาบัตถาม ก็เพราะวิวาทิกรเป็นปัจจัยภิกสุจึงต้องอาบัตหรือตอบถูกแล้วเพราะวิวาทิกรเป็นปัจจัยภิกสุจึงต้องอาบัตถามเพราะวิวาทิกรเป็นปัจจัยพิกสุจึงต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะวิวาทิกรเป็นปัจจัยภิกสุจึงต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งดาอุปสมบันต้องอาบัตปาจิตตี สดาอนุปปสัมบันต้องอาบัตทุกกฎเพราะวิวาธาธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตสองอย่างนี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจะเป็นวิบัตอย่างไหนบรรดาอธิกรสี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนบรรดากองอาบัตเจกองจะเข้ากองอาบัตไหนบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ ระงับด้วยอธิกรเท่าไรในฐานะเท่าไรด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจะเป็นวิบัตหนึ่งอย่างคืออาจารวิบัติบรรดาอธิกรสี่เป็นอาบัตตาธิกรบรรดากองอาบัตเ7กองจะเข้ากองอาบัตสองกองคือหนึ่งกองอาบัตปลายจิตตีสองกองอาบัตทุกกดบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐาน เกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐานระ ง, งับด้วยอาทิกรหนึ่งเคือกิจจาทิกรระ ง, งับในสามฐานะเคือท่ากลางสงฆ์ท่ากลางคณะสํานักบุคคลระ ง, งับด้วยสมถฏาสคือ 1. สามุขาวิไนย 2. ปฏิญญาตะกระณะสสามุขาวิไนยและตินนวถทารกะว่าด้วยอนุวาธาธิกรเป็นอาบัตหรืออนาบัตเป็นต้น ถามอนุวาทธิกรเป็นอาบัตหรืออนาบัตตอบอนุวาาธิกรเป็นอนาบัตถามก็เพราะอนุวาทธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตหรือตอบถูกแล้วเพราะอนุวาทธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตถามเพราะอนุวาทธิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบ เพราะอนุวาทาธิกรเป็นปัจจัยพิกษุจึงต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. ใส่ความพิกษุด้วยอาบัตปาราชิกที่ไม่มีมูลต้องอาบัตสังฆาทิเศษสอใส่ความภิกษุด้วยอาบัตสังฆาทิเศษที่ไม่มีมูลต้องอาบัตปาจิตตีสามใส่ความภิกษุด้วยอาบัตปาจิตตีที่ไม่มีมูลต้องอาบัตทุกกฎเพราะอนุวาทาทิกรเป็นปัจจัย ภิกษุจึงต้องอาบัตสอย่างนี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสอย่างจะเป็นวิบัตเท่าไรบรรดาอาธิกร4สี่อย่างเป็นอธิกรอย่างไหนบรรดากองอาบัต7กองจะเข้ากองอาบัตเท่าไรบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัต6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรระ ง, งับด้วยอธิกรเท่าไรในฐานะเท่าไรด้วยสมถะเท่าไรตอบ อาบัตเหล่านั้นบรรดาวิปัสสีอย่างจะเป็นวิบัติสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจาราวิบัติบรรดาอธิกรณสเป็นอาบัตตาธิกรบรรดากองอาบัตเจกองจัดเข้ากองอาบัตส3กองคือ 1. กองอาบัตสังฆาธิเศษสอกองอาบัตปาจิตตีสามกองอาบัตทุกกดบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐาน เกิดด้วยสมุธฐาน3สมุธฐานอาบาทหนักระ ง, งับด้วยอธิกรณหนึ่งเคยขีดจ่าธิกรระ ง, งับในหนึ่งฐานะคือท่ํากลางสงระ ง, งับด้วยสมถฏฐานสองเคหนึ่งสมุขาวินัย 2. ปฏิญญาตากะระณะอาบาทเบาระ ง, งับด้วยอธิกรณหนึ่งเคยขีดจ่าธิกรระ ง, งับในสามฐานะเคยในถ้ำกลางสง์ในถ้ำกลางคณะในสํานักบุคคล ระ ง, งับด้วยสมถต3คือ 1. สมุขาวินัย 2. ปติญญาตะกระณะ 3. สมุขาวินัยและติ น, นวัารกะว่าด้วยอาปตตาทิกรเป็นอาบัตหรืออนาบัตเป็นต้นถามอาปตตาทิกรเป็นอาบัตหรืออนาบัตตอบอาปตตาทิกรเป็นอนาบัตถามก็เพราะอาปตตาทิกรเป็นปัจจัยจึงต้องอาบัตหรือ ตอบถูกแล้วเพราะอาปัตตาทิกรเป็นปัจจัยจึงต้องอาบัตถามเพราะอาปัตตาทิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะอาปัตตาทิกรเป็นปัจจัยจึงต้องอาบัตสีอย่างคือ 1. ภิกษุณีรู้อยู่ปกปิดภิกษุณีผู้ต้องอาบัตปราชิกต้องอาบัตปราชิก 2. สงสัยปกปิดไว้ต้องอาบัตทุลใจัย 3. ภิกษุปกปิดอาบัตสังฆาทิเศตต้องอาบัตปาจิตตีี 4. ปกปิดอาจาระวิบัตต้องอาบัตทุกกฎเพราะอาบัตตาธิกรเป็นปัจจัยจึงต้องอาบัตส4อย่างนี้ถามอาบาตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจะเป็นวิบัตเท่าไหร่บรรดาอาิกรสี่อย่างเป็นอาิกรอย่างไหนบรรดากองอาบัตเจดกองจดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรระงับด้วยอธิกรเท่าไรในฐานะเท่าไรด้วยสมถฏาเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจะเป็นวิบัติสองอย่างคือหศีลวิบัติ 2. อาจารวิบัติบรรดาอธิกรสี่เป็นอาบัตตาธิกรบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตสี่กอง คือหกองอาบัติปาราชิก 2. กองอาบัติทุนลจัย 3. กองอาบัติปาจิตตีสี 4. กองอาบัติทุกกฏบรรดาสมุทฐานหนึ่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือระ ง, งับด้วยอธิกรณ์ไหนไม่ได้ระ ง, งับในฐานะไหนไม่ได้ระ ง, งับด้วยสมถทานไหนไม่ได้ อาบัตเบาระ ง, งับด้วยอทิกรหนึ่งคือกิจจาธิฏกอรระ ง, งับในสามฐานะคือในถํากลางสง์ในถํากลางคณะในสํานักบุคคลระ ง, งับด้วยสมถะฐสคือหนึ่งสามมุขาวินยัย 2. ปฏิญญาตะกระณะ 3. สัมมุขาวินัยและติ น, นวัารกะว่าด้วยกิจจาธิฏกอรเป็นอาบัตหรืออนาบัติเป็นต้นถาม กิจจาทีกรเป็นอาบัตหรืออนาบัติตอบกิจจาทีกรเป็นอนาบัติถามก็เพราะกิะจกออากาจออ า, า, า ha, ทีกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัติหรือตอบถูกแล้วเพราะกิจจาทีกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัติถามเพราะกิจจาทีกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะกิจจาทีกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตห5อย่าง เพอิกษุนีผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสงลงโอเคปนิยกรรมไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพ ค, ครบสามครั้งจบญาติต้องอาบัตทุกกฏ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุนละใจ 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตปราชิก 4. ภิกษุประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงไม่ยอมสละกรรม จนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตสังฆาทิเศต 5. ภิกษุไม่ละทิฏฐิบาปจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งต้องอาบัตปาจิตตีเพราะขิดจารถิกรเป็นปัจจัยภิกษุจึงต้องอาบัตห5อย่างนี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจะเป็นวิบัติเท่าไหร่บรรดาอาธิกร4ี่อย่างจัดเป็นอธิกรอย่างไหน บรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตเท่าไหร่บรรดาสมุทฐานแอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไหร่ระงับด้วยอธิกรณ์เท่าไร่ในฐานะเท่าไร่ด้วยสมถฏาเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตส um. ีอย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลลวิบัติ 2. อาจาระวิบัติบรรดาอธิกรณ์สอย่างเป็นอาบัตตาธิกรณ บรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตห5กองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตสังฆาธิเศษสากองอาบัตทุนละจัย 4. กองอาบัตปาจิตตีห้ากองอาบัตทุกกฏบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานก็เกิดทางกายวาจากับจิตอาบัตที่ไม่มีส่วนเหลือ ระงับด้วยอธิกรไหนไม่ได้ระงับในฐานะไหนไม่ได้ระงับด้วยสมถะไหนไม่ได้อาบัตหนักระงับด้วยอธิกรเดียวคือขิจ่าธิกรระงับในฐานะเดียวคือถํากลางสง์ระงับด้วยสมถะสองคือหนึ่งสัมมุขวินัยสองปฏิญญาตะกรณะอาบัตเบาระงับด้วยอธิกรเดียวคือขิจจาธิกรระงับในสามฐานะ คือในถํากลางสงในถํากลางคณะในสำนักบุคคลระ ง, งับด้วยสมถะสามคือ 1. สามุคขาวินัย 2. ปฏิญญาตะกรณะ 3. สามุคขาวินัยและติ น, นวัารกะ ทิคกรณาทิปายะว่าด้วยอธิบายอธิกรวิวาทาธิกกรถามวิวาทาธิกรเป็นอนุวาทาธิกรเป็นอาปตาาธิกรเป็นกิจจาธิกรหรือตอบวิวาทาธิกรไม่เป็นอนุวาทาธิกรอาปัตตาธิกรกิจจาธิกรแต่เพราะวิวาทาธิกรเป็นปัจจัยอนุวาทาธิกรอาปัตตาธิกกร กิจจาทธกรย่อมมีได้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้วิวาทกันว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นอาธรรมและถึงนี้อาบัติชั่วยาบนี้อาบัติไม่ชั่วยาบความบาดหมางความทะเลาะความแข่งแย่งความวิวาทการกล่าวต่างกันการกล่าวโดยประการอื่นการพูดเพื่อความกลัดกลุ่มความหมายมั่นในเรื่องนั้น นี้เรียกว่าวิวาทาธิกรสงวิวาทกันในเพราะวิวาทาธิกรจัดเป็นวิวาทาธิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจดจัดเป็นอนุวาทาธิกรเมื่อโจทย่อมต้องอาบัติจัดเป็นอาบัตตาธิกรสงทํากรรมตามอาบัตินั้นจ <um: ัดเป็นก <um: ิจจาธิกรเพราะวิวาทาธิกรเป็นปัจจัยอนุวาทาธิกรอาบัตตาธิกร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 สงวิวาสกันในเพราะอนุวาทาธิกรจัดเป็นวิวาทาธิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจรจัดเป็นอนุวาทาธิกรเมื่อโจทย่อมต้องอาบัตจัดเป็นอาบัตตาธิกรสงทํากรรมตามอาบัตนั้นจัดเป็นกิจจาธิกรเพราะอนุวาทาธิกรเป็นปัจจัยอาบัตตาธิกรกิจจาธิกรวิวาทาธิกรย่อมมีอย่างนี้ อาปัตตาทิกรถามอาปัตตาธิกรเป็นกิจจาธิกรเป็นวิวาทธิกรเป็นอนุวาาธิกรหรือตอบอาปัตตาธิกรไม่เป็นกิจจธิกรวิวาาธิกรอนุวาาธิกรแต่เพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยกิจจาธิกรวิวาทธิกรอนุวาทธิกรย่อมมีได้เปรียบเหมือนอะไร เปรียบเหมือนอาบัตทั้งห้ากองชื่ออาบัตตาธิกรอาบัตทั้ง7กองชื่ออาบัตตาธิกรนี้เรียกว่าอาบัตตาธิกรสงวิวาทกันในเพราะอนุวาทาธิกรจัดเป็นวิวาทาธิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจดจะเป็นอนุวาทาธิกรเมื่อโจทย่อมต้องอาบัตจะเป็นอาบัตตาธิกรสงทํากรรมตามอาบัตนั้นจัดเป็นกิจจาธิกร เพราะอาปัตตาธิกรเป็นปัจจัยกิจจาธิกรวิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรย่อมมีอย่างนี้กิจจาธิกรถามกิจจธิกรเป็นวิวาทาธิกรเป็นอนุวาทาธิกรเป็นอาปัตตาธิกรหรือตอบกิจจาธิกรไม่เป็นวิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรอาปัตตาธิกรแต่เพราะกิจจธิกรเป็นปัจจัย วิว า, าทาธิกรอนุว า, าทิธิกรอาอปัตาธิกรย่อมมีได้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนความมีแห่งกิจความมีกิจอันจะพึงทำของสงฆ์คืออัปโลกนกรรมยติกรรมยติทุติยกรรมยติจัตุตกรรมนี้เรียกว่ากิจจาธิกรสงฆ์วิวาทกันในพระอนุวิวาทาิทิกรจัดเป็นวิว า, าทาธิกรเมื่อวิวาทกันย่อมโจ์ จัดเป็นอนุว า, าทาธิกอนเมื่อโจทย่อมต้องอาบัตจัดเป็นอาปัตตาทิกอนสงทากรรมตามอาบัตนั้นจัดเป็นกิจจาธิกอนเพราะกิจจาธิกอนเป็นปัจจัยวิว า, าทาธิกอนอนุวาทาธิกอนอาปัตตาธิกรย่อมมีอย่างนี้ 6. ปุชาวาระว่าด้วยวาระแห่งการถามอธิบายสมถะ สติวินัยมีในที่ใดสมุขาวินัยมีในที่นั้นสมุขาวินัยมีในที่ใดสติวินัยมีในที่นั้นอโมลหวินัยมีในที่ใดสมุขาวินัยมีในที่นั้นสมุขาวินัยมีในที่ใดอโมลหาวินัยมีในที่นั้นปฏิญญาตะกรณะมีในที่ใดสมุขาวินัยมีในที่นั้นสมุขาวินัยมีในที่ใด ปติญญาตะกรณะมีในที่นั้นเยปุย <hanger> ส <unstoppable unta> ิกามีในที่ใดสมุคาวินัยมีในที่นั้นสมุคาวิันมีในที่ใดเยปุยสิกามีในที่นั้นตัสปาปิยสิกามีในที่ใดสมุคาวินัยมีในที่นั้นสมุคาวิันมีในที่ใดตัสปาปิยสิกามีในที่นั้นตินนวทธารกะมีในที่ใด สา ม, มุขาวินัยมีในที่นั้นสา ม, มุขาวินัยมีในที่ใดตินนวถารกะมีในที่นั้น 7. วิสัชนาวาระว่าด้วยวาระแห่งการตอบอธิกรระงับสมัยใดอธิกรระงับด้วยสามุขาวินัยและสติวินัยสมัยนั้นสติวินัยมีในที่ใดสามุขาวินัยมีในที่นั้นสามุขาวินัยมีในที่ใด สติวินัยมีในที่นั้นแต่ในที่นั้นไม่มีอมูลหาวินัยปติญญาตกรณะเยปุยสิกาตาสปาปิยสิกาและตินนวทธารกะสมัยใดอธิกรระงับด้วยสมุขาวินัยและอมูลหาวินัยและถึงสมัยใดอธิกรระงับด้วยสามุขาวินัยและปะติญญาตกรณะสมัยใด อธิกรระงับด้วยสมุขาวินัยและเยผุยัสิกาสมัยใดอธิกรระงับด้วยสมุขาวินัยและตัสปาปิยสิกาสมัยใดอธิกรระงับด้วยสมุขาวินัยและตินนวทธารกะสมัยนั้นตินนวทธารกะมีในที่ใดสมุขาวินัยมีในที่นั้นสามุขาวินัยมีในที่ใดตินนวทธารกะมีในที่นั้นแต่ไม่มีสติวินัย อมูลหวินัยปติญญาตะกรณะเยปุยสิกาและตัสปาปิยสิกา 8. สังสัตถาระว่าด้วยวาระที่ว่าด้วยการรวมกันถามทมเหล่านี้คือสมุขวินัยข้อดีสติวินัยข้อดีรวมกันหรือแยกกันก้อแแลนักปราด ย, ย, ยักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ให้แยกออกจากกันได้หรือ ทำเหล่านี้คือสมุขาวินัยก็ดีอโมลหวินัยก็ดีละถึงทำเหล่านี้คือสมุขาวินัยก็ดีปติญญาตะกรณะก็ดีทำเหล่านี้คือสมุขาวินวัยก็ดีเยผุยสิกาก็ดีทำเหล่านี้คือสมุขาวินัยก็ดีตัสปาปิยสศิกาก็ดีทำเหล่านี้คือสมุขาวินวัยก็ดีตินนวัถารากะก็ดี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 ทำเหล่านี้คือสมุขาวินัยก็ดีปฏิญญาตกระณะก็ดีทำเหล่านี้คือสมุขาวินัยก็ดีเยปุยสิกาก็ดีทำเหล่านี้คือสมุขาวินัยก็ดีตัสปาปิยสิกาก็ดีทำเหล่านี้คือสมุขาวินัยก็ดีตินนวัฏฐานกะก็ดีรวมกันไม่แยกจากกาันก็แลณปรปาจักย้ายบัญญัติธรรมเหล่านี้ ให้แยกออกจากกันไม่ได้ 9. สัตตสมถทานิทานว่าด้วยนิทานแห่งสมถะเจถามสมุขวินันมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติ มีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค yea. ์มีอะไรเป็นสมุฐานสติวินัยอะโมลหวินัยปฏิญญาตะกระณะเยปุยสิกาตัสปาปุยสิกาตินนวถารกะมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุไทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุฐานตอบ สมุขาวินัยมีนิทานเป็นนิทานมีนิทานเป็นสมุทัยมีนิทานเป็นชาติมีนิทานเป็นแดนเกิดก่อนมีนิทานเป็นองค์มีนิทานเป็นสมุทัยสติวินัยอโมลหาวินัยปติญญาตกระณะเยปุยสิกาตัสปาปุยสิกาตินนวัารกะมีนิทานเป็นนิทานมีนิทานเป็นสมุทัยมีนิทานเป็นชาติ มีนิทานเป็นแดนเกิดก่อนมีนิทานเป็นองมีนิทานเป็นสมุไทยถามสามุขาวินัยมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุไทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองมีอะไรเป็นสมุฐานสติวินัยอโมลหาวินัยปติญญาตะกรระเยปุยสิกาตัสปาปิยสิกาตินวัธารกะ มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทานตอบสมุคขาวิไนมีเหตุเป็นนิทานมีเหตุเป็นสมุทัยมีเหตุเป็นชาติมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนมีเหตุเป็นองค์มีเหตุเป็นสมุทานสติวิไนอมูลหะวิไนปติญญาตากะระณะเยปุยสิกา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 ปติญญาตะกระณะเยผุยสิกาตัสปาปยะสิกาตินวัตารกะมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุฐานตอบสมมุขาวิไนมีปัจจัยเป็นนิทานมีปัจจัยเป็นสมุทัยมีปัจจัยเป็นชาติมีปัจจัยเป็นแดนเกิดก่อนมีปัจจัยเป็นองค์ มีปัจจัยเป็นสมุทฐานสติวินยัยอโมลหาวินยัยปติญญาตะกระณะเยผุยศิกาตาสปาปิยสศิกาตินวธารกะมีปัจจัยเป็นนิทานมีปัจจัยเป็นสมุทยัยมีปัจจัยเป็นชาติมีปัจจัยเป็นแดนเกิดก่อนมีปัจจัยเป็นองค์มีปัจจัยเป็นสมุทฐานว่าด้วยมูลเหตุและสมุทฐานแห่งสมถะ ถามสมถะเจมีมูลเหตุเท่าไหร่มีสมุฐานเท่าไหร่ตอบสมถะเจมีมูลเหตุ26สมีสมุฐาน36ถามสมถะเจมีมูลเหตุ26อะไรบ้างตอบสมุขาวินัยมีมูลเหตุสี่คือความพร้อมหน้าสงหนึ่งความพร้อมหน้าธรรมหนึ่งความพร้อมหน้าวินัยหนึ่งความพร้อมหน้าบุคคลหนึ่ง สติวินัยมีมูลเหสี 4. อมูลหาวินัยมีมูลเหสี 4. ปฏิญญาตกรณะมีมูลเหตสี 2. คือหนึ่งผู้แสดง 2. ผู้รับเยปุยสิกามีมูลเหสีตัตสปาปิยสิกามีมูลเหสี 4. ตินาวถารกะมีมูลเหสี 4. คือหนึ่งความพร้อมหน้าสงฆ์ 2. ความพร้อมหน้าธรรมสความพร้อมหน้าวินัย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 คืออมูลหวินัยการประกอบการกระทําการเข้าถึงการขอร้องยุริยาที่ยอมรับไม่คัดค้านกรรมคือปติญญาตะการณะการประกอบการกระทําการเข้าถึงการขอร้องยุริยาที่ยอมรับไม่คัดค้านกรรมคือเยผุยสิกาการประกอบการกระทําการเข้าถึงการขอร้องยุริยาที่ยอมรับ ไม่คัดค้านกรรมคือตัสปาปิยะสิกาการประกอบการกระทาการเข้าถึงการขอร้องกิริยาที่ยอมรับไม่คัดค้านกรรมคือตินนวัารกะสมถะเจมีสมุธาน36นี้ 10. สัตตสมถะนานาัฐทิว่าด้วยสมถะเจมีอัตต่างกันเป็นต้นถามทําเหล่านี้คือ สมุขวินัยก็ดีสติวินัยก็ดีมีอาจต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอาจอย่างเดียวกันแต่พยัญชนะต่างกันธรรมเหล่านี้คือสมุขวินัยก็ดีอมูลหวินัยก็ดีละถึงธรรมเหล่านี้คือสมุขวินัยก็ดีปฏิญญาตะกรณะก็ดีธรรมเหล่านี้คือสมุขวินัยก็ดีเยภุยสิกาก็ดี รมเหล่านี้คือสามุคขาวินัยก็ดีตัสปาปะยะศิกาก็ดีทมเหล่านี้คือสามุคขาวินัยก็ดีตินนวัฏฐานะก็ดีมีอาจต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอาจอย่างเดียวกันแต่พยัญชนะต่างกันตอบทมเหล่านี้คือสามุคขาวินัยก็ดีสติวินัยก็ดีมีอาจต่างกันมีพยัญชนะต่างกัน หรือมีอาจอย่างเดียวกันแต่พยัญชนะต่างกันธรรมเหล่านี้คือสมุขาวินัยก็ดีอมูลหวินัยก็ดีธรรมเหล่านี้คือสมุขาวินัยก็ดีปติญญาตกระณะก็ดีธรรมเหล่านี้คือสมุขาวินัยก็ดีเยผุยสิกาก็ดีธรรมเหล่านี้คือสมุขาวินัยก็ดีตาสปาปิยสศิกาก็ดีธรรมเหล่านี้คือ สามุขาวิเนก็ดีตินวัธารกะก็ดีก็มีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกันวิวาธาธิกรวิวาตเป็นวิวาธาธิกรวิวาตไม่เป็นอธิกรอธิกรไม่เป็นวิวาตเป็นอธิกรด้วยเป็นวิวาตด้วยวิวาตเป็นวิวาธาธิกรก็มีวิวาตไม่เป็นอธิกรก็มีอธิกรไม่เป็นวิวาตก็มี เป็นอธิกรด้วยเป็นวิวา ด, ด้วยก็มีในข้อนั้นวิวาทอย่างไรเป็นวิวาธาธิกรภิกษุในธรรมวินัยนี้วิวาทกันว่านี้เป็นธรรมนี้ไม่เป็นธรรมละถึงนี้อาบัติชั่วหยาบนี้อาบัติไม่ชั่วหยาบความบาดหมางความทะเลาะความแก่งแย่งความวิวาทการกล่าวต่างกันการกล่าวโดวยประการอื่นการพูดเพื่อความขัดกลุ่ม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 ในข้อนั้นอาทิกรณ์อย่างไหนไม่เป็นวิวาทอนุวาธาธิกรณ์อปัตาทิกรณ์กิจจาทิกรณ์อาทิกรณ์นี้ไม่เป็นวิวาทในข้อนั้นอย่างไหนเป็นอาทิกรณ์ด้วยเป็นวิวาทด้วยวิวาธาทิกรณ์เป็นอาทิกรณ์ด้วยเป็นวิวาทด้วยอนุวาธาธิกรณ์การโจดเป็นอนุวาธาธิกรณ์การโจดไม่เป็นอาทิกรณ์ อธิกรณ์ไม่เป็นการโจ์เป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นการโจ์ด้วยการโจ์เป็นอนุวาทาธิกรณ์ก็มีการโจ์ไม่เป็นอธิกรณ์ก็มีอธิกรณ์ไม่เป็นการโจ์ก็มีเป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นการโจ์ด้วยก็มีในข้อนั้นการโจ์อย่างไรเป็นอนุวาธาธิกรณ์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมโจดภิกษุด้วยศีลวิบัติหรืออาจารวิบัติ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 พี่ชายฟ้องน้องชายบ้างน้องชายฟ้องพี่สาวบ้างพี่สาวฟ้องน้องชายบ้างเพื่อนฟ้องเพื่อนบ้างการโจดนี anyway. ้ไม่เป็นอธิกรณ์ในข้อนั้นอธิกรณ์อย่างไหนไม่เป็นการโจดอาปัตตาธิกรณ์กิจจาธิกรณ์วิวาธาธิกรณ์อธิกรณ์นี้ไม่เป็นการโจดในข้อนั้นอย่างไหนเป็นอธิกรณ์ด้วยเป็นการโจดด้วย อนุวาทิกรเป็นอธิกรด้วยเป็นการโจดด้วยอาปัตตาธิกรอาบัตเป็นอาปัตตาธิกรอาบัตไม่เป็นอธิกรอธิกรไม่เป็นอาบัตเป็นอธิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยอาบัตเป็นอาปัตตาธิกรก็มีอาบัตไม่เป็นอธิกรก็มีอธิกรไม่เป็นอาบัตก็มีเป็นอธิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยก็มีในข้อนั้น ああ five, อาบัตอย่างไหนเป็นอาบัตตาธิกรอาบัตทั้งห้ากองเป็นอาบัตตาธิกรอาบัตทั้งเจกองเป็นอาบัตตาธิกรอาบัตนี้เป็นอาบัตตาที่กรในข้อนั้นอาบัตอย่างไหนไม่เป็นอธิกรโซดาบัตสมาบัตอาบัตนี้ไม่เป็นอธิกรในข้อนั้นอธิกรอย่างไหนไม่เป็นอาบัต กิจจาธิกรวิวาธาธิกรอนุวาธาธิกรอาาปตตาธิกรอธิกรนี้ไม่เป็นอาบัตในข้อนั้นอย่างไหนเป็นอธิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยอาปตาธิกรเป็นอธิกรด้วยเป็นอาบัตด้วยกิจจาธิกรกิจเป็นกิจจาธิกรกิดไม่เป็นอธิกรอธิกรไม่เป็นกิจเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วย กิดเป็นกิจจาทิกรก็มีกิจไม่เป็นอธิกรก็มีอธิกรไม่เป็นกิจก็มีเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วยก็มีในข้อนั้นกิจอย่างไหนเป็นกิจจาธิกรความที่สงมีกิจความที่สงมีกิจอันจะพึงธรรมคืออปปโรกนะธรรมยัติกรรมยัติทุติยกรรมยัติจัตุตกรรมกิจนี้เป็นกิจจาที่กรในข้อนั้น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 กิอยางไนเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วยกิจจาธิกรเป็นอธิกรด้วยเป็นกิจด้วยอธิกรระเพศจบหัวข้อประจำเรื่องการรื้อฟื้นอธิกรหรื้อฟื้นด้วยอาการเท่าไหร่บุคคลรื้อฟื้นมีอะไรเป็นนิทานเหตุปัจจัยมูลสมุฐานเป็นอาบัตมีอธิกรในที่ใดแยกจากกันมีนิทานเหตุปัจจัย มูลสมุทฐานมีพยัญชนะวิวาสอาธิกรณ์ดังที่กล่าวมานี้จัดลงในประเภทอธิกรณ์ด้วยประการชะะนี้แลอภระคาถาสังคณิกะว่าด้วยกลุ่มคาถาอีกกลุ่มหนึ่ง 1. โจทนาธิปุชาวิสัชนาว่าด้ืยอํคำถามและคำตอบการโจดเป็นต้นท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการโจทเพื่อประโยชน์อะไรการสอบสวนเพื่อเหตุอะไรสงเพื่อประโยชน์อะไรส่วนการลงมติเพื่อเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการโจดเพื่อประโยชน์ให้ระลึกการสอบสวนเพื่อประโยชน์จะคม สงเพื่อประโยชน์จะช่วยกันพิจารณาส่วนการลงมติเพื่อช่วยกันวินิจฉัยแต่และเรื่องถ้าเธอเป็นผู้วินิจฉัยอธิกรอย่าด่วนพูดอย่าพูดด้วยความเกลียวกราดอย่ายั่วความโกรธอย่าพูดโดยผลุนผลันอย่ากล่าวถ้อยคำชวนวิวาทไม่ประกอบด้วยประโยชน์วัดคือการซักถามอันอนุโลมแก่ศึกษาบทที่พระพุทธเจ้าผู้เฉียบแหลมมีพระปัญญาทรงวางไว ปรัสไว้ดีแล้วในพระสูตรในพระวินัยในอนุโลมในพระบัญญัติและอนุโลมิกะเธอจงพิจารณาวัดคือการซักถามนั้นอย่าให้เสียคติที่เป็นไปในสัมปรายภพเป็นผู้ใฝ่หาประโยชน์จงซักถามถ้อยคําที่ประกอบเรียบประโยชน์โดยการสํานวนที่กล่าวโดยผนผลนของจำเลยและโจทย์เธออย่าเชื่อถือโจวบก็ฟ้องว่าต้องอาบัต แต่จำเลยปฏิเสธว่าไม่ได้ต้องอาบัตเธอต้องสอบสวนทั้งสองฝ่ายพึงปรับตามคำรับสา ร, รภาพและถ้อยคำสํานวนคำรับสา ร, รภาพเรากล่าวไว้ในหมลัตชีแต่ข้อนั้นไม่มีในหมูอลัตชีอันหนึ่งภิกษุอลัตชีพูดมากเธอพึงปรับตามถ้อยคำสํานวนดังกล่าวแล้วอัลัตชีบุคคลพระอุบาลีกราบทูลว่าอลัตชีเป็นคนเช่นไร คำรับสารภาพของผู้ใดฟังไม่ขึ้นข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงข้อนั้นคนเช่นไรพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าอลชีบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ที่จงใจต้องอาบัติปกปิดอาบัติและถึงความลำเอียงคนเช่นนี้เราเรียกว่าอลชีบุคคลรชีบุคคลพระอุบาลีกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข่า แม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วว่าคนเช่นนี้เป็นอละชีบุคคลข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นคนเช่นไรพระพุทโธตรัสเรียกว่าละชีบุคคลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ที่ไม่จงใจต้องอาบัติไม่ปกปิดอาบัติไม่ถึงความลำเอียงคนเช่นนี้เราเรียกว่าลาชีบุคคลบุคคลผู้โจษไม่เป็นธรรม พระอุบาลีกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วว่าคนเช่นนี้ตรัสเรียกว่าลาชีบุคคลข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นคนเช่นไรตรัสเรียกว่าผู้โจทย์ไม่เป็นธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุโจทย์โดยการไม่ควรโจทย์ด้วยเรื่องไม่เป็นจริงโจทย์ด้วยคาหยาบโจทย์ด้วยคาไม่ประกอบด้วยประโยชน์ มุ่งร้ายโจ์ไม่มีเมตตาจิตโจ์คนเช่นนี้เราเรียกว่าผู้โจ์ไม่เป็นธรรมบุคคลผู้โจ์เป็นธรรมพระอุบาลรีกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็าทราบแล้วว่าคนเช่นนี้ตรัสเรียกว่าผู้โจ์ไม่เป็นธรรมข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามพระองค์ถึงข้ออื่นคนเช่นไรตรัสเรียกว่าผู้โจดเป็นธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุโจรโดยการโจรด้วยเรื่องจริงโจรด้วยคำสุภาพโจรด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์มีเมตตาจิตไม่มุ่งร้ายโจรคนเช่นนี้เราเรียกว่าผู้โจรเป็นธรรมคนโจรผู้โง่เขลาพระอุบาลีกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบแล้วว่าคนเช่นนี้ตรัสเรียกว่าผู้โจทเป็นธรรม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 และแม้ด้วยอาชีววิบัติฉะนั้นเราจึงเรียกว่าการโจ์มาประกาฐาสังคณิกะโจด